แนะนำบทอัลจีนบทอัลจีนเป็นบทมักกียะมี 28 องค์การบทได้กล่าวถึงการที่ยินจำนวน 1 ได้ฟังการอ่านอัลกุรอานพวกเขาได้ทราบถึงในสิ่งที่มีในอัลกุรอานเช่นความสละสวยในสำนวนจนกระทั่งพวกเขาได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานทันทีที่พวกเขาได้รับฟังและได้เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขาไปสู่การอีมานบทนี้ได้เปลี่ยนไป กล่าวถึงการให้เกียรติและการให้ความบริสุทธิ์ของพวกเขาแด่อัลเลาะห์การให้เอกภาพแด่พระองค์ด้วยการเคารพภักดีบทนี้ได้กล่าวถึงการแอบฟังของยินการห้อมล้อมชั้นฟ้าด้วยยามเฝ้าจากมาลาอิกะห์การส่งเปลวเพลิงแก่พวกยินหลังจากการแต่งตั้งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการประหลาดใจของพวกยินต่อเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้บทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งพวกยินออกเป็น 2 พวก คือยินศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและบั้นปลายของแต่ละพวกหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการห้อมล้อมของพวกยินรอบๆตัวท่านขณะที่พวกเขาได้ยินท่านอ่านอัลกุรอานบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงขอบเขตอำนาจของอัลเลาะห์ด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของพระองค์โดยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาล بسم الله الرحمن الرحيم دو่ พระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอคุณอูฮียะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะนะฟรุมมินอัลจินฟะกาลูอินนาซะมะอฺนากุรอานันอะญะบะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าได้มีองค์การมายังฉันว่า แท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังชั้นอ่านอัลกุรอานแล้วพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาดยะฮดีอิลัลฮุสติฟามันนาบิฮ์วะลันนุชริกะบิร็อบบินาอะฮะดันนำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้ง ผู้ใดเป็นภาคีต่อพระผู้อภิบาลของเราและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงสูงทรงยิ่งพระองค์ไม่มีปัญญาและบุตรและแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์อย่างเกินเหตุว่าอันนาฎัลลัมนาอัลลาตะกูลอัลอินซุวัลญินุอะลาลลาฮิกะซีบาและแท้จริงเราคิดว่ามนุษย์และญินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์เป็นอันขาดว่าอันนะฮูกานะริญาลุมมินัลอินซิยะอูดูนบิริญาลินมินัลญิน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 ເປັນສາສະຫນາທູດວ່າອັນນາລັມສນະສະມາອະຄະວະຈັດນາຫາມຸລອັດຮາສັນຊະດີດວະຊູບາລະທາຈິງເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫາຂ່າວນະຊັນຟາແຕ່ເຮົາໄດ້ພົບນາທີ່ນັ້ນແຕມໄປດ້ວຍຍາມເຝົ້າຜູ້ແຂງແຂງແລະເປື້ວພືເລວ່າອັນນະຄຸນນາຄວດມິນຫາມາກາອິດລິສສະມ تَمَّى يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدِ لَٰكِنَّنَا كُنَّا نَجْلِسُ فِي مَكَانِ الْجُلُوسِ فِي الْخَوْفِ لِنَسْتَمِعَ وَلَٰكِنَّ مَنْ يَجْلِسُ لِيَسْتَمِعَ سَيَجِدُ لَهُ لَهَبَ النَّارِ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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا لَتَأْتِينَا رَأَيْنَا كِتَابَكَ وَإِنَّا لَمُؤْمِنُونَ وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا لا تا จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระผู้อิบาดของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและความอยุติธรรม وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ ให้ถรัและรัชดาและแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้ที่หันเหออกจากความจริงดังนั้นผู้ใดล่อล้อมชนเหล่านั้นได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องว่าอัมมัลกอซิตูนฟะกานูบิญะฮันนัมมะหฏะบันและส่วนบรรดาผู้ที่หันเหออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฝืนของฝ่ายนรกและ الله استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما ان غدقان ละพวกเขาดํารงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราเข้าใจพวกเขามีปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวาง لينفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันเหออกจากการดํารึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสว่าอันนัลมัสยิดะลิลลาฮิฟะลาตะดออมะอัลลอฮิอะฮะดะห์แล้วว่าบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลเลาะห์ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลเลาะห์และถ้าจริงเมื่อบ่าวของอัลเลาะห์มุฮัมมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่นกุลอินนมาอดูรบีวะลาอุชริกุบิฮิอะฮะด <'badah> จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์กุลอินนีลาอมลิกุละกุมดรรอวะลารัชะดะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้ากุลอินนีลัยูจีรนีมินัลลอฮิอะฮะดุวะลันอัจิดะมิน دونه ملتحدا จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์และฉันจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อิลลาบะลัฆอนมินอัลลอฮิวะรซาลาติฮิวะมันยะอศิลลาฮาวะรซูละฮูฟะอินนะละฮูนาเราะญานนวะมันยะอศิลลาฮาวะรซูละฮูฟะอิน لَهُنَا رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا چون қара tháng เมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจํานวนน้อยกว่า اول ان اجري اقريب ما تعدون ان يجعل له ربي امدا จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าฉันไม่รู้สิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นใกล้หรือยังหรือว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงกําหนดเวลาในการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไปอาลิมุลฆอยบะฟะลายุซฮิรุอะลาฆอยบิฮิอะฮะดะพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ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 และพระองค์ทรงนับจํานวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน